ดวงกับได้ไหมาการละครหนึ่งนานมาแล้วยังมีราชานามว่าเวนปกครองอาณาจักรที่มีชื่อว่าอาราโดนาราชาและราชินีมีลูกสาวที่งดงามคนหนึ่งชื่อว่าไมาราเธอเป็นเจ้าหญิงที่ฉลาดมากแต่ไมาราก็ไม่ค่อยจะเชื่อฟังพ่อและแม่ของเธอเท่าไหรนะ่นักเธอชอบออกไปเดินเล่นในป่า ก, กับเพื่อนๆของเธอใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับธรรมชาติ แล้วเล่นกับพวกสัตว์ว่าไงจ๊ะเจ้ากวางแสนสวยแกหิวไหมแกอยากกินใบไม้เหรอเฮ <c oughs> hey, ยังอยู่ที่นี่เหรอมีนัดไปทานมื้อเย็นนี่ข้าเนี่ยนะดูเหมือนเจ้าชายเอสดคาเซียจะอยู่ที่นั่นด้วยนะฟังนะสาวๆข้าไม่สนใจเจ้าชายคนไหนหรอกนะกฎของอาณาจักรทําข้ารำคาญจะบ้าตายอยู่แล้ว โอเคโอเคงั้นไปที่แม่น้ำกันเถอะมาเร็วสาวๆวูว้ฮูนี่สิที่อยากพูดขณะเดียวกันราชาและราชินีนั่งรอที่เตอะมือขําของราชวงศ์เพื่อรอให้ไม่รา ก, กลับมารซสิลูกสาวจะอยู่ไหนลูกสาวของเราค่ะใช่นางทำข่าขไยน่นามกเจ้าหญิงจะมาร่วมกับพวกเราเร็วๆนี้ใช่ไหม โออข้าเกรงว่าไม่เพราะว่านางอาจจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะโอ้ใช่แล้วมือค้ำของราชวงศ์เป็นไปด้วยดีและเมื่อถึงเวลาที่แขกพร้อมจะออกเดินทางกลับไปยังอาณาจักรของเขาก็เห็นเจ้าหญิงไมาราหัวเราะคิกคักเข้ามากับเพื่อนของเธออลิเชียวันนี้สนุกมากเลยนะใช่แล้ว พวกเราน่าจะไปกันอีกนี่ทำให้ราชาเวและราชินีโรซี่โกรธเป็นอย่างมากพวกเขาไม่พูดอะไรและกลับเข้าไปในอาณาจักรเย็นวันหนึ่งเจ้าหญิงไมรา ก, กำลังเล่นซ่อนหากับเพื่อนเพื่อนของเธอในป่า5 6 7หกเจาา้าจะแอบอยู่หลังนางและหลอกให้นางตกใจไม่นะมันเป็นเกมสุดท้ายของวันนี้แล้วเล่นให้สนุกดีกว่า ข้าจะไปซ่อนไกลๆเจ้าเองก็ด้วยเก้าสิบพร้อมหรือยังจะหาแล้วนะไมร่าวิ่งออกไปและซ่อนหลังพู้ ม, มาอย่างรวดเร็ว <c oughs> นางหาข้าไม่พบแน่ถ้าอยู่ตรงนี้ทันใดนั้นไมร่าก็ได้ยินเสียงคนพูดพึมพำในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงพวกเราจะโรยยานี้ไว้ทั่วสวนของอาณาจักร นี่จะทำให้ครอบครัว ข, ของราชวงศ์ล้มป่วยแม้แต่หมอที่เก่งที่สุดก็ไม่สามารถรักษาพวกเขาจากนั้นพวกเราจะเข้าไปหยุดคำสาบนี้และเมื่อเขาถามเร า, าต่อการสิ่งใดพวกเราจะขออาณาจักรของเขาหากพวกเขาไม่ยอมเราจะจองจาเขาซะโอ้โ อ, อดูเหมือ น, นว่าเป็นแผนที่ดีนะเจ้ออาหญิงไม่รากรกลัวเป็นอย่างมากไม่ได้ยินเช่นนี้ ไปบอกท่านพ่อกับท่านแม่ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเจอแล้วดูเหมือนว่าเจ้าจะแอบไม่ค่อยดีนะโอ๊นางเป็นอะไรนะ่ะข้าว่ามีบางอย่างปแปลกๆนะไมร่ารีบวิ่งมาที่อาณาจักรเพื่อบอกเรื่องนี้แกราชาและราชินีราชาและราชินีกำลังโกรธท่านแม่ท่านพ่อตอนที่ข้าอยู่ในป่าข้าไม่อยากได้ยินการเล่งงงงของเจ้าอีกแล้วนะไมร่าไม่ค่ะท่านพ่อ ข้าได้ยินข้าบอกว่าข้าไม่สนยังไงหรอกแต่ว่าเป็นเรื่องสําคัญมากนะคะท่านช่วยฟังข้าก่อนได้ไหมไม่เจ้าสิต้องฟังข้าข้าจะไม่ฟังเรื่องเราวของเจ้าอีกแล้วแม้ว่าเจ้าจะเจอพ่อมดก่อนก็ตามใช่ข้าเจอนั่นไงไหมล่ะเจ้าเนี่ยทำข้าขายหน้ามาพอแล้วนะออกไปได้แล้วกลับไปที่ห้องซะไหมร่ะก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยแล้วก็ทําตัวให้สมกับเป็นเจ้าหญิงด้วย เจ้าชายแห่งเอสคาเซียจะมาเยี่ยมพวกเราวันพรุ่งนี้เขาจะเดินทางมาขอเจ้าแต่งงานเจ้าหญิงไมรากโกรธมากเธอออกจากห้องราชสำนักอย่างไม่พอใจวันต่อมาอาณาจักรอาราโดน่าถูกตกแต่งเพื่อต้อนรับเจ้าชายอาณาจักรใกล้เคียงอาณาจักรเอสคาเซียพันธมิตรที่เข้ามาเพื่อขอเจ้าหญิงแต่งงานเจ้าหญิงไมราแต่งตัวอย่างไม่พอใจ เธอนั่งอยู่ในพระราชสำนักเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบท่านเจ้าหญิงไมร่าหวัดดีเจ้าชายเพื่อนบ้านเอ่อข้าชื่อจูเลียสจ้าจ้าข้ารู้ท่านพ่อบอกข้าแล้วไมราแสดงความสนใจออกมาน้อยมากจนเหมือนเธอไม่สนใจเลยหลังจากลองพยายามได้อีกไม่กี่ครั้งเจ้าชายจูเลียสได้ยอมแพ้ไปไม่กี่วันก่าเขาจะกลับ เขาได้พูดคุยกับราชาเวนข้าหวังว่าเจ้าจะไม่ช่วงเวลาที่ดีที่นี่นะเจ้าชายข้ามีความสุขมากฝาบาทแต่ข้าไม่คิดว่าเจ้าหญิงจะสนใจเรื่องการแต่งงานนางบอกว่านางคงอยู่ที่นี่ได้ไม่นานเพราะท่านไม่ยอมฟังนางเลยโอ้ยังงั้นเหรอเธอนี่ช่างโง่จริงๆเลยเอ่อโอเค ข้ามีความสุขจริงๆขอพระทัยมากฝาบาทที่ต้อนรับข้าอย่างดีข้าเอ่อต้องไปแล้วแต่ว่าแต่จูเลียสไม่ได้หยุดเขาหันหลังให้และจากไปสิ่งนี้ทำให้ราชาเวนผิดหวังอย่างมากเขาดีไปพบเจ้าหญิงไมร่าในทันทีแต่เมื่อเขามาถึงห้องเธอเขาก็พบว่าเธอไม่อยู่แล้วโอ้ นางเข้าไปในป่าอีกแล้วนางถ้าไม่ฆ่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วสินละราชาเวนสั่งทหารไปจับกุมเจ้าหญิงไมรามาทหารรังเลเล็กน้อยแต่ก็ยอมทาตามคาสั่งราชาเจ้าหญิงไมราถูกจับตัวและนำมาเข้าพบราชานี่ปล่อยข้านะอาณาจักรพวกเรากำลังตกอยู่ในอันตรายทหารนำตัวนางไปขังไว้ในหอคอยอะไรนะไม่นะคะ แต่ราชาวนได้หันหน้าไปทางอื่นเจ้าหญิงไมร่าถูกนำตัวมาไว้ในหอคอยสูงและล็อกไว้เธอร้องออกมาอย่างขมขื่นจนหลับไปวันรุ่งขึ้นเมื่อเธอเตื่นขึ้นเธอรีบวิ่งไปที่หน้าต่างและเห็นอลิเซียกำลังเดินผ่านอาลิเซียอลิเซียไมร่ม า, ราเจ้าเคยนไปทำอะไรบนนั้นน่ะโอ้หอคอยสวยมากเลยนะ ข้าถูกขังไว้ข้าต้องออกไปจากที่นี่อาณาจักรกำลังอยู่ในอันตรายท่านพ่อท่านแม่ก็ไม่ฟังข้าเลยแล้วจะให้ช่วยเจ้ายังไงเหรออืมถ้าขอคิดแป๊บนะโอเคเอาได้ไหมเ ย, ยา้ายาวมาให้ข้าตัวด้วงม้วนได้เชือกนั้นนะเชือกเยาวๆวแล้วก็น้ำพึ่งด้วยเออโอเค อย่ามองข้าแบบนั้นสิเร่งไปหาม้าแล้วก็ได้ไม่เห็นต้องตะโกนเลยอลิเชีย ร, รวบรวมของมาให้เจ้าหญิง<ม>เคยยังไปบอกกับหญิงสาวอีกสองคนเพื่อมาพบเจ้าหญิงที่หอคอยอลิเชียได้ด้วงได้ไหมและน้ำพึ่งมาส่วนนาตาชาได้เชือกยาวม้วนได้และเชือกนนหนาหนาโอเคทำตามที่ข้าบอกนะสาวสาวมัดได้เข้ากับด้วง และทาน้ำพึ่งไว้ที่เขาของมันอลิเชียและนาตาชาค่อนข้างจะงงในสิ่งที่เธอพูดแต่พวกนางก็ยอมทำตามดีมากทีนี้ปล่อยให้ด้วงเดินขึ้นมาเขาจะมองหาน้ำพึ่งของเขาและเดินตรงขึ้นมาบนนี้และอย่างที่เธอพูดเจ้าด้วงเดินตรงขึ้นมาในขณะที่ถูกมัดไว้ด้วยได้ไหมด้วงมาจนถึงบนสุดที่หน้าตางของเจ้าหญิง ขณะที่เสาวๆาวผูกได้ไหมเข้ากับมวนได้บิงโกเจ้าหญิงเจ้าไม่ต้องอธิบายอะไรอีกแล้วพวกเราเข้าใจแล้วล่ะไมรายิ้มให้เพื่อนๆของเธอตอนนี้นาตาชาผูกมันเข้ากับเชือกหนาๆนะและสุดท้ายก็ผูกเข้ากับเชือกยาวในที่สุดไมราก็สามารถดึงเชือกยาวๆขึ้นมาได้ <h> ah! เธอปีนลงมาจากหอคอย ในขณะที่สาวๆกำลังรอเธอตอนนี้ได้เวลาหยุดพ่อมดแล้วนาตาชาอเลเซียผูกได้ไหมนี้ไวร้รอบๆต้นไม้ภายในสวนของป่าแห่งนี้ด้วยนะแล้วไปหลบซ่อนตัวกันไว้ให้ดีฉันจะใช้เชือกยาวเส้นนี้เองรับทราบเพคะไมร่าวิ่งเข้าไปในป่าเธอเห็นพ่อมดสองคนกำลังเดินมาที่อาณาจักรเธอซ่อนตัวหลังพุ่มไม้อย่างดีเมื่อเธอเห็นขวดยานในกระเป๋าพวกเขา เธอค่อยๆ ย, ย่องเข้าไปหาพวกเขาอย่างเงียบๆและโชกขดยาจากกระเป๋าพวกเขามาได้จากนั้นเธอก็รีบกลับไปซ่อนที่ผู้หมาอีกครั้งจากนั้นพ่อมตได้หยุดพักเพื่อจะดื่มน้ำหนึ่งในพวกเขามองไปในกระเป๋าและประหลาดใจโอ้ขวดยาเว้นมนต์อยู่ในกระเป๋าเจ้าใช่ไหมไม่นี่เจ้าไปกนเก็บมันไว้อตก้าไม่เห็น แล้วเราจะรับผชอบเรื่องนี้ยังไงล่ะเฮ้ยมองหานี่กันอยู่กันเหรอโอ้เจ้านังแมวขโมยลมาน้ก่อนที่ข้าจะไา่เวทใส่เจ้าก็มาเอาสิพ่อมดมองหาไม้เท้าของเขาแต่พวกเขาก็หาไม่เจอโอ้หน้าสงสารจริงๆเลยดูเหมือนไม้เท้าของเจ้าก็จะหายไปด้วยนี่ทำให้พ่อมดโกรธอย่างมากพวกเขาเริ่มไล่ล่าเธอ แต่ไมร่าเร็วมากและรีวิ่งตรงมายังกับดักเธอกระโดดข้ามได้ไหมเมื่อพมดไล่ล่าเธอมาพวกเขาไม่ทันได้สังเกตได้ทำให้สะดุดและล้มลงนาตาชาและอลิเชียรีไปจับพวกเขาทั้งคู่ไว้ไมร่าม qu ัดพวกเขาด้วยเชือกสมน้ำหน้าเมื่อได้ยินเสียงราชาและราชินีจึงออกมาดู ราชาเห็นพ่อมดทั้งสองถูกจับอยู่เสาสาวและไมรา่าเกิดอะไรขึ้นพ่อมดทรยศพวกนี้กำลังวางแผนที่จะไล่คำสาปและฆ่าพวกท่านทั้งหมดเพื่อครอบครองอาณาจักรข้าต้องหยุดพวกเขาก่อนที่มันจะสายเกินไปแต่ว่าทําไมเจ้าพึงมาบอกข้าเอาป่านนี้ท่านไม่ยอมให้ข้าพูดเลยสักนิดท่านพ่อนี่ทําให้ราชาเวนรู้สึกละอายอย่างมาก พ่อไม่มีอะไรจะแก้ตัวนะแต่ว่าให้อภัยพ่อด้วยไหมล่ะไม่ท่านพ่อข้าไม่ต้องการคำขอโทษพ่อต้องทำสิ่งที่มันถูกต้องให้บทเรียนกับพ่อมดเหล่านี้ซะเลยค่ะเอ้ทหารนำพวกเขาไปขังในคุกตายดินทหารเข้ามาและนำตัวพ่อมดไป เจ้าต้องทดใช้สําหรับสิ่งนี้ราชาวเว้นจะต้องทดใช้เอาไว้ชาติ น, า น, าาาน้าเะยาไม่ร่าและสาวๆทาหน้าล้อเลียนพ่อหมดสาวๆข้าว่าพวกเจ้าน่าจะอยู่ทานมื้อข้ามกับพวกเรานะราชินีพูดถูกนะพวกเราอยากให้หนังวันตอบแทนแก่พวกเจ้าด้วยโอ้ขอพระทายเพคะมื้อข้ามหรอฟังดูเยี่ยมใช่เลยค่ะราชาวเวน ระทินีโรซี่เจ้าหญิงไมร่าและสาวๆนั่งทานดินเนอร์ด้วยกันสาวๆเพลิดเพลินกับอาหารของพวกเธอทันใดนั้นราชาก็จำบางอย่างขึ้นได้เดี๋ยวนะไมร่าฮอคอยนะ่ะถูกลอกอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วลูกลงมาได้ยังไงอออ๋อคือว่านางเออใช่นกอินซีนั่นข้ากระโดดเกาะไปกับนกอินซีตัวใหญ่ มันตัวใหญ่เกือบเท่ากริฟฟินเลยละค่ะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นครั้งหน้าหากเราจะขังเจ้าไว้เราจะให้ยาไปยืนเฝ้าด้วยเอาไว้ไล่พวกดรากินซีออกไปา <c oughs>